คำว่ า, าศาสนธรรมที่แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของท่านผู้รู้นี้เป็นร่องรอยนี้เป็นอาการแห่งธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งฝ่ายผลเป็นอาการทั้งนั้น คือเป็นร่องรอยที่จะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจสัมผัสรับรู้กันทุกขั้นแห่งธรรมภายในใจใจเป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกขั้นทุก ผ, น, กผนตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนกระทั่งสูงสุดวิมุติพระนิพพานมีใจเท่านั้น เป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งมีอันเดีเยวคือใจนอกากนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเพราะฉะนั้นคําว่ า, าศาสนธรรมนี่คือวิธีการของท่านผู้รู้ท่านผู้ฉราดได้ทรงดำเนินมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งาศาสนธรรม ที่เราทั้งหลายได้กรบาบไหวบูชาอยู่เวลานี้ท่านปฏิบัติตามอาการแห่งธรรมที่แสดงให้โลกทั้งหลายฟังนี่แหละทั้งฝ่ายละและฝ่ายบำเพ็ญทรงดำเนินมาอย่างนี้การพูดถึง เหตุแห่งการละความชั่วและเหตุแห่งการบาเพ็ญความดีเหล่านี้เป็นอาการเป็นกระแสของธรรมสำหรับธรรมแท้ที่อยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะหยิบออกมาพูดได้เหมือนอาการแห่งธรรมเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจึง ประกาศสอนโลกด้วยวิธีการต่างๆที่เรียกว่ากระแสด้วยอาการแห่งธรรมเพื่อโลกทั้งหลายจะได้ดำเนินตามวิธีการที่ถูกต้องดีงามนี้แล้วจะเข้าถึงองค์ธรรมแท้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ นี่คือความจริงของธรรมแท้เป็นอย่างนี้ ท, นท่านจึงเรียกว่าศาสนาธรรมเพียท่านจดจารึกไว้ตามคำภีใบลานนั่นแหละคือแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้บอกวิธีละัะบอกวิธีบำเพ็ญบอกทั้งสิ่งที่เป็นโทษบอกทั้งสิ่งที่เป็นขุนไว อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ให้ดำเนินตามวิธีการที่ทรงแสดงไว้นั้นหรือตามตำหลับตำราที่ท่านจดใจไว้นั้นเหมือน ก, นกันกับเราตามรอยเท้าแห่งคโคโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อจะ ตามเอโคตัวนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่ในสถานที่แห่งใดเพื่อความแน่ใจจริงต้องไปตามรอยที่เราไปปล่อยไว้นั้นโดยลาดับลาดาจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยที่เราตามเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเพราะโคกับ ท้าแห่งโคที่เหยียบย่ำไปนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่การดำเนินตามศาสนธรรมที่จงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องดีงามก็เช่นเดียวกับเราตามรอยโคไม่ปีกไม่แวะจับรอยตั้งแต่ตนจนถึงตัวโคการประพฤติปฏิบัติ ก็ไม่ปลอยร่องรอยแห่งทำที่สอนไว้โดยถูกต้องยึดความถูกต้องนั้นเป็นหลักฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยลําดับลาดาวย่อมจะเข้าถึงทำเป็นขั้นๆเข้าไปเพราะผลแห่งทำเป็นหลายขั้นนับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เป็นธรรม ประเภทหนึ่งหรือขั้นหนึ่งจะนอกเหนือไปจากวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วไม่ได้เกี่ยงสมถะวิธีจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นสมถะคือความสงบใจได้ท่านก็อธิบายวิธีการให้ทราบในตำรา บ, บอกว่ามีถึงสี่สิบห้องสี่สิบวิธีการ ท่านผู้ศึกษาทั้งหลายก็แน่ใจว่าทราบกันทั่วถึงแล้วสิ่งอนุสติสิทอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีการแต่ละอย่างละอย่างแล้วกํากหนดบทใดก็าตามหรือวิธีการใดก็าตามให้ติดแนบอยู่กับใจโดยความมีสติมีไหมายถึง มิบทปาดแห่งทยธรรมนั้นถูกสริีนิสัยของตนยึดเป็นหลักฐานมั่นคงไว้ในการบำเพ็ญเพื่อความเป็นสมถะคือความสงบใจมีสติตามรักษางานของตนที่ทำอยู่โดยสม่งเสมอคำว่าความสงบกับความสงบอันแท้จริงนั้น จะเข้ากันได้ด้วยวิธีการที่กล่าวนี้นี่คือก็เป็นเหมือนกับตามอรอยโคเข้าไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมจึงมีมากมายกว้างขวาง <c oughs> ตามจริติสัยของสัตว์โลกซึ่งไม่เหมือนกันแม้จะมีความดีความชั่วมีชิเล็ดชันหาสะวะอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันก็ตามแต่มี ข้อหนักเบาต่างกันและมีแง่ต่างต่างกันตามจดิษณนิสัยด้วยเหตุนี้อุบายแห่งธรรมที่จะสั่งสอนผู้นั้นๆให้ได้รับประโยชน์แต่ละลายหลา ย, ลลายจึงต้องมีหลายวิธีการเมื่อรวมแล้วพอประมาณก็แปดหมื่นสี่พันประธรรมขันเทียบแล้วก็เหมือนกับนายแพทย์ผู้ฉลาดเรียน จบวิชาแพทย์มาอย่างเรียบร้อยได้รับการทดสอบทุกแง่ทุกมุมทั้งยุกทั้งยาทั้งวิชาแพทย์ได้เห็นผลเป็นที่พอใจแล้วก็นำมารักษาโรคของคนและสัตว์แล้วโรคของคนไข้นั้นนะมีประเภทต่างๆกัน <c oughs> หมอจะ มีความรู้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคที่มีชนิดต่างๆหรือประเภทต่างๆกันนั้นให้หายไปได้ด้วยเหตุนี้นิชาแพทย์จึงต้องกว้างขวางยาจึงต้องมีมากมายเพื่อให้เหมาะสมกันกับโรคที่มีชนิดต่างๆจะได้หายสำหับผู้มาอาศัยหรือรักษากับหมอ ธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนละยังกว้างขวางมากมายจนหาประมาณไม่ได้ <c oughs> เพราะคําว่าพุทธวิสัยไม่ใช่วิสัยคนธรรมดาสามัญของเดาและไม่ใช่วิสัยของพระรหันผู้สิ้นกิเลสเป็นจิตที่บริสุกเพียงเท่านั้นยังเป็นวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้า พันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใครๆ ใ, ในโลกยิ่งกว่าพระหรันองค์ใดๆอีกดลวยจึงสมนามว่าเป็นาศาสดาสอนโลโกผู้มาสัตว์โลกที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรเพียงแต่มนุษย์ก็จำนวนมากพอแล้วยังต้องมีเทวุตรเทวดาอินพร นับจํานวนไม่ได้ดังที่เห็นในตำรา ว, ว่าพวกเทพทั้งหลายคำว่าเทพนั้นเป็นคำรวมๆเทวดาอินพรหมเรียกว่าเทพทั้งนั้นบรรลุมรกผลจํานวนเป็นแสนแสนล้านล้านังถ้ามีจํานวนน้อยจะไปสำเร็จอะไรจะถึงขั้น จำนวนขนาดนั้นเราต้องมีจำนวนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่ละขา้นักข่าวการประทานพระโอวาท้วยความเฉลียวฉลาดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกตามขั้นตามภูมิตามอุปนิสัยของตนนั้นจึงต้องเป็นอุบายเป็นความเฉลียวฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่จะประทานแก่สัตว์โลกแต่ละ ขั้นภูมิให้ได้รับผลประโยชน์เป็นที่ผึงพอใจทั่วหน้ากันที่ย่นมาถึงขั้นมนุษย์เราซึ่งเป็นสถานที่ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างเปิดเผยกอประทานเทวาท์แกสัตว์โลกทั่วไปในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นมีห้าอย่างแต่เราจะไม่ยกเป็นมาลีขึ้นมา จะอธิบายเป็นเนื้อความไปเลยว่าตอนบ่ายสามสี่โมงเย็นประธานพระวาาแก่ประชาชนนับแต่พระราชามหากร์เศรษฐีกระดุมพีทุกพ่อพ้าประชาชนคนธรรมดาทั่วไป้รับผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังจะมีผู้ทูลถามปัญหาข้อข้องใจในแง่ต่างๆกับระพุทธเจ้าอีกด้วยทั้งทรงสั่งสอนเป็นส่วนรวมเพื่อรับประโยชน์โดยทั่วกันทั้งแยกแยะตอบปัญหาให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ถามและได้รับประโยชน์จากผู้ฟังปัญหานั้นโดยทั่วกันอีกด้วยแต่ละครั้งละครั้งจะพึงเป็นอย่างนั้นเสมอไป แล้วในแง่แห่งธรรมที่ประธานแจกพุทธบริษัทเป็นพวกครวาสญายุงจะมีจำนวนมากมายขนาดไหนในวันหนึ่งนะตอนมืดเข้าไปก็ประธานพระโอาวาสแจกภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มุ่งมาแล้วเพื่ออัดเพื่อทมเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างยิ่ง ความมุ่งมั่นของนักบวชเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงอัดถึงทมแท้แท้พระอาวารของพระพุทธเจ้าที่จะประทานแจกพระสงฆ์เหล่านั้นจะเหมือนคณะการประทานแก่ญาติโยมได้อย่างไรจรึงต้องประทานให้เหมาะสมกับเจตนากับความมุ่งมั่นกับการประพฤติธปฏิบัติของพระสงฆ์ ซึ่งมีจํานวนมากมารับพระโอาวาสจากพระองค์ในขณะนั้นมีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นปุตติชนธรรมดามีทั้งพระสงฆ์ที่มีภูมิอัดภูมิธรรมภูมิสมาธิเป็ น, นลําดับตํานามีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นพระรยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาสักิทธาคารนาเถ อ, อาคาขึ้นไปจนกระทั่งพระอรหันต์ท่านก่มีความยินดีเอิบอิ่มในการได้ยินได้ฟังเพราะปราดทั้งหลายไม่อิ่มท้อง การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า จ, าจึงต้องให้ละเอียดแยบคายและทั่วถึงในบรรดา ภ, ภูมิอุปนิสัยและขั้นแห่งธรรมของท่านผู้มาศึกษาอบรมและได้ยินได้ฟังในขณะนั้นนี่พระโอวาทเหล่านี้ต้องลึกซึ้งต้องเหมาะสม ผู้มาฟังกับบริษัทคือภิกษุบริษัททีนี้พอนับแต่เที่ยงคืนนี่ท่านก่อพูดไว้พอประมาณว่าเที่ยงคืนเพราะส่วนมากพวกเทศจะมาในเวลาสงัดนมักมาในเวลาเที่ยงคืนไปแล้วแต่จะมาก่อนมาหลังนั้นมีจำนวนไม่น้อยท่านหากคาดเอาไว้ว่าเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เหมาะสม เป็นส่วนมากของเทพทั้งหลายที่มาและเทพที่มาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพวกหนึ่งพวกเดียวและไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวของพวกเทพด้วยที่มาฟังพระโอวาทของพระพุทธเจา้าแต่ละครั้งละครั้งทายเทกันมาการประทานโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนั้นก็ต้องให้เหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่เป็นภูมิละเอียด ของกายทิดตลอดถึงภูมิอุปนิสัยจิตใจของเทพแต่ล ะ, และองค์ซึ่งมีแง่หนักเบาต่างกันการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวไม่ได้ต้องแสดงหลายแง่หลายกระทงทั้งนึกทั้งตื่นทั้งหยาบทั้งละเอียดพร้อมกันไปหมดในเวลานั้นและนอกจากนั้นยังแก้ปัญหาเทวดาอีกด้วยเป็นพวกๆเป็นคณะคณะไป แต่ละครั้งละครั้งทมที่ประทานแกเทพทั้งหลายเหล่านั้นต้องเป็นธรรมที่เหมาะสมกับเทพขั้นนั้นๆไม่ผิดพลาดไปได้สมนามว่าศาสดาของโลกตลอดถึงอินพรหมไม่นอกเหนือไปจากพระวาดอันชลาดแย้มคมของพระพุทธเจ้าไปได้เลยนี่เมื่อสรุปความเนีวะที่นี้พอ แก้ปัญหาแล้วอตอนปัดฉิมมาอย่างก็ทรงเลงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมีอปณิสัยสามารถบันลุอัด ร, รมคือมีความเบาบางภายในใจิตใจสามารถที่จะบันลุอัด ร, รมได้อย่างรวดเร็วและจะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้รับผล อันเป็นที่พึงใจนั้นเวลาเช้าเสด็จออกบินพบาทพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนอื่นนีน่การทรงเริงยานดูสัตว์ตัวโลกนี้ใครสามารถในโลกนี้จะสามารถเริงยานดูอุปนิสัยดูพบดูชาติดูความหนักความเบาแห่งกรรมของสัตว์โลกจนกระทั่งถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูง หลุดพ้นจากโลกวัตจักวัตตะบนี้ไปได้มีใครในสามโลกกะาะถาดนี้จะทำได้เหมือนพระพุทธเจา้าคำว่ายังยานดูสัตวโลกก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แหละพุทธภาระหรือพุทธภพพุท ธ, ทธกิจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกิจไม่ได้เหมือนเหมือนงานของโลกทั่วๆไปเป็นจิตเป็นการเป็นงานเป็นภาระที่โลกทาไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าทรงธทรรมโดยพระองค์เองด้วยความสามารถฉลาดแหลมคมสงความเป็นศาสตาของโลกตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบาทโปรธรัตสัตวโลกคำว่าโปรธสัต์นั้นเวลาเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าตาก็เป็นบุญ เป็นกุศลจิตใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเห็นท่านผู้วิเศษวิเศษในพระไทยด้วยแล้วยังวิเศษด้วยพระอากับคริยาที่เคลื่อนไหวของพระองค์แล้วได้ทําบุญให้ทานใส่บาตกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายขณะที่พระองค์ทรงรับสั่งสิ่งได้ออกไปด้วยเหตุผลที่จําเป็นซึ่งควรจะรับสัง่งขณะนั้นก็เป็นการโปรดสัตว์อีก ไปในตัวในตัวตามเหตุผลของศาสด า, า, าที่ปราไม่มีการปรศาศจากเหตุผลประจำองค์ศาสด า, า, าอยู่เสมอเรียกว่าพุทธกิจพุทธกิจทั้งห้านี้ไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมีพูดถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีจำนวนมากมายเพียงไร เราพิจารณาเพียงธนณีแล้วประกาศสอนธรรมอยู่ถึงสี่สิบห้าพระพรรษาวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมีสัตว์โลกเข้ามาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรที่จะต้องประทานพระโอาวาทให้เหมาะสมกับจดินิสัยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแต่ละรายและลายไปไม่ให้ผิดหวังนั้นมีจำนวนมากเพียงไร ถ้าจะมีเพียงแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันเท่านี้ไม่พอกับภูมิแห่งศาสดาและไม่พอกับอุปนิสัยของาศาสตร์โลกซึ่งเป็นเหมือนคนไข้แต่รับประเภทต่อเพศจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสมภูมิของความเป็นาศาสดาเลยเพราะเหตุ น, นั้นธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกจึงมีจำนวนมากต่อมาอย่าว่าเพียงแปดหมืนสี่พันเท่านี้เลยเป็นล้านล้าน ในบรรดาอุบาลที่สั่งสอนสารโลกจะไม่ซ้ากันถ้านิสยัยจริตนิสัยของผู้นั้นจีเรตประเภ ท, ทต่างๆของผู้นั้นไม่ซ้ากันการประทานเทาวาเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นแก้ปัญหาแก่ผู้นั้นหรือแก้จิเรสช่วยผู้นั้นทำผู้นั้นให้เกิดประโยชน์จะไม่มีการซ้ากันเลยจะซ้ากันเฉพาะที่มีนิสัย แายขึงกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นถะาอวาชจึงมีจำนวนมากไม่มีอัดมีอัน้นในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกหรือแก้ปัญหาโลกแต่ละลายอะไรให้รับผลประโยชน์จากพระองค์นี่อย่างวัภูมิั้งศาสดาเป็นอย่างนี้ทมที่ทรงสั่งสอนจึงมีจำนวนมาก เท่าที่ท่านจดจาริ้ไว้มาแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นท่านจดไว้เพียงพอประมาณถ้ามากกว่านั้นก็จะเหลือเฟือฟัน่นฟั่นเสือไปหมดแทนที่จะรับประโยชน์จะกลารเป็นการสับสวนวุ่นวายแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเยนมีไว้สำหรับพามจำเป็นเละมีไว้ สำหรับหลักใหญ่ๆเท่านั้นส่วนปีกย่อยที่พระองค์ทรงแนะนํากับโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้นําเข้ามาเกี่ยวข้องกับ 8, 000, ทำแปดหมื่นสี่พันมารำมาขันนี่เลยนี่คภูมิความประพฤทพาาิใจที่กล่าวทั้งหมดว่าแปดหมื่นสี่พัมธรรมขันก็ดี ที่มากยิ่งกว่านี้เต็มภูมิของศาสนาที่สั่งสอนโลกก็ดีเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งมวลไม่ใช่องค์ของธรรมแท้ที่มีอยู่เฉพาะในพระภัยของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุ น, นั้นผู้ปฏิบัติจึงคำหนึ่งถึงพระโอวาทเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเฉพาะอย่างยิ่งคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ถึงใจ ไม่มีข้อสงสัยนำหลักนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นไอ้พึงทราบว่าที่เลกมีเลขมีเหลี่ยมร้อยสันพันขมขนาดไหนจึงสามารถครอบนำสัตว์โลกให้อยู่ใต้อำนาจได้ทั่วทั้งสามโล ก, กฐานไม่มีสั์โลกตัวใด แจะนอกเหนือจากอำนาจของกิเลสไม่ครอบนำไปได้ด้วยเหตุนี้ <c oughs> คัมมัชจิมาในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกหรือเครื่องมือเป็นเครื่องประหาดกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดแหลมคมร้อยสันพันในนั้นจึงต้องมีครบมีเล่มีเยม่มเลยร้อยสันพันในไป จึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดมัชชิมาจะเอาเพียงทางกลางเข้าไปใช้อย่างเดียวนี้เพิ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เถนกลงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่พระพุทธเจ้าคือจอมปราบพระพุทธเจ้าคือจอมปราบกิเลสทั้งหลาย จนราบเรียบภายในพระไทยแล้วจะปราบด้วยความเป็นเข็งกลงได้อย่างไรต้องปราบด้วยความฉลาดแหลมคมมากเนื้อกิเลสทุกประเภทจนไม่มีเหลือในพระไทยของพระพุทธเจ้าเพราะการปราบปรามมันด้วยพระปรีชาส า, สามารถของพระองค์เอนี่แหละคาว่ามัชชิมาที่ออกจากาศาสนายึงเป็นมัช มัตมาที่ขนาดแหลมคมมากต่อกิเลสประเภทต่างๆทันกับกิเลสทุกประเภทไปปราบราบเรียบไปได้ทุกประเภทด้วยอํานาจแห่งมัติมาประเภทนั้นๆให้คุณทราบอย่างนี้คําว่ามัติมาคือสายกลางคําว่าสายกลางนั้นก็โลกทั้งหลายจะต้องคิดกันแบบว่าลงไปกลงมาเฉย ไม่ได้คำหนึ่งถึงเรื่องกิเลสมันกลงไปกลงมาไหมอันใดจะมีความปิ้นปลอนหลอกลวงร้อยสรรพันขมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชชิมาจึงจะเป็นธรรมแบบเถงกลงไปไม่ได้จะถูกกิเลสจูงจมูกทำทั้งหลาย กลายเป็นบ่อยของกิเลสไปหมดทำจะเหนือกิเลสเหนือโลกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำอมัติมาจึงต้องเหนือกิเลสทุกประเภทนี่เครื่องมือคอมัติมาแปลว่าเครื่องคือเครื่องมืออันเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไปกิเลสยังอยากแสดงขึ้นภ า, ายในจิตใจ เราจะเอาอะไรเข้าไปปราบความหยาบโลนของกิเลสความดื้อด้านของกิเลสซึ่งแสดงขึ้นมาในจิตใจของเราโดยแทู้้บายวิธีใดที่จะทันกับกิเลสประเภทดื้อด้านหารสู้ต่อทำว่าเราต้องนำประเภทที่เหี้ยมโหดต่อกิเลสประเภทที่แหลมคมกว่ากิเลสเข้าต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้เองการประพฤติปฏิบัติ จึงมีความทระห็ดอดทนมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวอยู่เสมอมีความตั้งหน้า ต, ตั้งตามีความท้าทานมีความอุตสาหพยายามมีความคิดไวพ้พิปัญญาให้ทันกับอาการของจิตซึ่งกิเลสผลักดันออกมาเป็นรวดลายแห่งการต่อสู้กับธรรมแต่ละอาการอากการให้ทันกันไม่เช่นนั้นไม่ทัน นี่คือวิธีการที่ถูกต้องแท้กับคำว่ามัชฌิมา <c oughs> อันเรื่องเครื่องมือที่จะปราบกิเลสนั้นในวงปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติเป็นไปตามอัดตามธรรมตามสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะพอฟัดพอเหลี่ยมกันไปตั้งแต่ต้นทางเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นทุน เขามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภาณในจิตใจด้วยการปฏิบัติด้วยการต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆพอสมควรแล้วจะทราบวิธีการปฏิบัติต่อกิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปไปโดยลําดับลาดับด้วยเครื่องมือครูบาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเองเนี่ยการนํามัทติม า, มาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเหมาะสม มัชชิมาคือความเหมาะสมยิเดียบหยาบมัชชิมาต้องหนักมือยิเลียกลางมัชชิมาก็ให้เป็นขนาดเหมาะสมกับการปราบยิเดียให้อยู่ในเนื้อมือยิเดียละเอียดลงไปมัชชิมาคือสมีกติปัญญาเป็นต้นจะละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลําดับลาดับทันกันไปโดยลําดับและฆ่ากันไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆภานในจิตใจนี่ ให้พากันเข้าใจคำว่ามัชชิ ม, มาในหลักธรรมชาติหรือในหลักของการปฏิบัติที่ประสบเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบเถ็นกลจะทำความภาคเพียนบ้างอุตส่าห์พยายามบ้างมีความทุกข์ความลำบากต่อการประกอบความเพียนบ้างก็ถูกกิเลสมันหลอกจะว่านี่มันจะเคร่งเกินไป ทำพอดีคำว่าพอดีนั่นคือมัชฌิมาของกิเลสเราหาได้ทราบไหมมัชฌิมาของกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งมัชฌิมาของธรรมเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาของธรรมมันแท้จริงที่จะปราบกิเลสนั้นจึงก้าวไม่ออกเพราะถูกมัชฌิมาของกิเลสกล่อมไปเสียหมดการนั่งภาวนาชั่วการชั่วเวลาชี่ชัว่วโมงก็ถูกกิเลสมากล่อมเสียว่า มันจะเกินมัชิมาไปเข่งเกินไปหนักเกินไปไม่เหมาะไม่ถูกต้องกับหลักมัชิมาถูกกล่อมไปเสียอย่างนี้เวลาทุกเกิดขึ้นภายในร่างกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเพราะการนั่งมากก็ดีจะทนต่อทุกนี้ไปก็จะเป็นการเข่งเกินไป คำว่าทนต่อทุกนี่คือทนสู้ไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆแบบคนสิ้นภาทนสู้ทุกขเวทนาพิจารณาแยกแยะดูเวทนาคือความทุกข์มีเกิดขึ้นภานในการเป็นต้นเจ็บตรงไหนมากปวดตรงไหนมากเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บบั้นเอวหรือเจ็บตรงไหนที่เด่น ก, ก, กว่าเพื่อนจิตจ่อเข้าไปตรงนั้นแยกดูให้เห็นความจริงทั้ง ร่างกายส่วนนั้นว่าอันใดเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันในขณะที่นั่งภาวนาหรือในขณะที่กาลังเจ็บไข้โดยปวดอยู่นี้ <c oughs> เขาเป็นร่างกายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็เป็นกระดูกมาตลอดสายจนกระทั่งบัด น, นี้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้เกิดมาจากโนนเพิ่งปรากฏในขณะนี้ ทำไมจึงจะถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเลกลายเป็นเรื่องของเราที่จะต้องแบกทุกข์ไปเสียทั้งหมดอมืว่าเราเป็นทุททกข์นี่เงียดมันแทรกเข้าไปแค่นี้เพราะฉะนั้นจึงต้องแยกให้เห็นตามความจริงของมันในจุดที่ทุกข์มากที่สุดนั่นแหละเอาเวทีไปตั้งที่ตรงนั้นขึ้นเวทีตรงนั้นแยกดูเอาหนังเจ็บเหลือ เนื้อเจ็บเหลือเนื้อเป็นทุกข์เหลอหรือกระดูกเป็นทุกข์ว่าตรงไหนให้จิตจาะเข้าไปว่าหนังก็ให้เห็นลักษณะของหนังชัดเจนประจักษ์ใจว่าเนื้อเป็นทุกข์ก็ให้ดูเนื้อตรงที่ว่า ก, กําลังเป็นทุกข์นั้นให้ชัดเจนด้วยสติด้วยปัญญาของตนหรือกระดูกเป็นทุกข์ดูกระดูกให้ชัดเจนกระดูกมีรูปลักษณะหรือคือหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีรูปมีลักษณะสีสันวัฒนะ ทุกนี้ไม่ใช่รูปไม่มีรูปไม่มีลักษณะไม่มีสีสันวัสนะเป็นแต่แสดงความปรากฏของตนขึ้นมาให้เป็นที่ไม่พอใจแกเราเท่านั้นนี่เรียกว่าทุกข์แล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเนื้อแยกแยกเข้ามาสู่ใจหรือใจนี่หรือเป็นทุกข์อา้าวถ้าว่าใจเป็นทุกข์จริงๆแล้วเวลาทุกข์ดับไปใจจะดับไปด้วยไหม หากเป็นอันหนึ่งอ <default> ันเดียวกันแล้วทุกดับไปใจต้องดับไปด้วยเ้าถ้ากายเป็นทุกเวลาทุกนี้ดับไปกายต้องดับไปด้วยเนื้อดับไปด้วยหนังดับไปด้วยเอ็นต้องดับไปด้วยกระดูกต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกเพิ่งปรากฏมาในขณะนี้แล้วจะดับไปในขณะต่อไปทั้งๆที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่ได้ดับไปด้วยเลยและจิตใจผู้ที่รับรู้ทุกทั้งหลายก็ไม่ดับไปด้วยเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจึง ไ้สําคัญมันหมายจริงไปเข้าใจว่านี้เป็นเราเป็นของเราว่าหนังเป็นทุกข์ว่านนเนื้อเป็นทุกข์ว่าเอ็กระดูกเหล่านี้เป็นทุกข์ว่าใจเป็นทุกข์มันผิดไปเท่าไหร่แล้วนี่พิดจากหลักความจริงนี่ว่าตรงไหนให้จดจ่อลงที่ตรงนั้นเอาให้เห็นจริงเห็นจังนี่คือมัชชิมาที่เหมาะสมแต่มัชชิมาของกิเลสนั้นทนไม่ไหวฮะนี่เดี๋ยวจะตายนั่นนี่นะเดี๋ยวจะไม่ได้ทันถึงมาผลิพานะจะตายก่อนนะนั่น นั่นคือมัจจิมาของกิเลสมันกล่อมและเชื่อง่ายด้วยผู้ปฏิบัติเพราะเคยถูกกล่อมมาสั้นนานแล้วไม่เคยเห็นโทษของมันไม่เคยเห็นความจำกรอมของกิเลสประเภทต่างๆที่เคยกล่อมมาเป็นเวลานานนั้นเลยเนื่องจากทำอันเป็นของจริงยังแทรกเข้าไม่ถึงใจเมื่อทำได้แทรกเข้าถึงใจแล้วให้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้เธอเรื่องร่างกายนี้นะ่ะและแต่กระจายไปหมดด้วยอํานาจของสติปัญญาขี่คลายตีกระจาย แหลกแตกเป็นความจริงก็ไดกันทางนั้นไม่มีสินใดนอกเหนือไปจากความจริงนี้เลยนิกิเลสที่มาหลอกลวงแทรกแซงอยู่ทุกขุมขนทุกเนื้อทุกหนังทุกเอ็นทุกกระดูกทุกอวัยวะก็แตกบ้านแตกเมืองแตกความจำความมังของ่งออกไปหมดยังเหลือแต่ความจริงล้นวนนันั่นหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาที่กล่าวมานี้ไม่ใช่พิจารณาสักว่าลกๆวกลกลว ก, ลว ก, ลวกไปนะ เอาให้เห็นจริงเห็นจังในขนาดนั้นทุกจะหายก็ตามเราจะตายก็ตามไม่สําคัญยิ่งกว่าความต้องการความจริงให้เห็นความจริงระหว่างแห่งทุกขคือระหว่างทุกขกับจิตระหว่างทุกขกับกายนี่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นคําว่าสัจธรรมเป็นของจริงเช่นทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐนั้นจริงอย่างไรถ้าเราต้องการอยากจะเห็นทุกเป็นของจริงอันประเสริฐ เราก็พิจารณาดังที่กล่าวนี้อย่างไรก็ปิดไม่อยู่เพราะหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่ตรงหน้านี้ไม่สงสัยพระความจริงอันนี้เหมือนกันกับที่ประทานไว้แล้วว่าทุกขรังอันเดียัจจ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างก็จักใจแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนตลอดถึงส ม, มุทัยก็เหมือนกันมากยิโรู ทำที่กล่าวทั้งสี่นี้นั้นเราอยากเข้าใจว่าอยู่คนละแห่งละหนจะต้องพิจารณาคนละครั้งละข่าวการพิจารณาค้นคว้าหาความจริงจากทุกจากกายจากใจในขณะที่ทุกเวทนากําลังกล้าสหัสนั่นแหลคือเป็นเวลาที่เราพิจารณ า, าจะทำทั้งสี่พร้อมกันไปในตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะไปเรียงรายพิจารณาทุกแล้วจริงจั ดับสมมทัยล้วจริงจ ะ, ะทำนิโรธให้ดับทุกแล้วพิจารณานิโรธแล้วจะไปเิจารณามานั้นผิดทั้งเพ ท, ท่านเรียงไว้เป็นลำดับลำนาเฉยๆความจริงแท้ไม่เป็นเช่นนั้นมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสัจธรรมทั้งสีนี้พอทุกข์เกิดขึ้นท่นานบอกทุกข์ให้กําหนดรู้จะไม่รู้อย่างไรเราไม่ใช่คนตาย เพรเกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องรู้คําว่าก็ให้กําหนดรู้นั่นหมายถึงว่าให้รู้ด้วยสติเพื่อความพิจารณาต่างหากทันทงว่าพึงกําหนดรู้ทุกกิดขึ้นนี่ทุกเกิดขึ้นแล้วนั้นนะนัะ่นมีสติแล้วตั้งท่าลงไปพิจารณาถึงเรื่องทุกข์ทุกนี้เป็นสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นทุกข์นี่คือเรื่องของมัดได้แก่สติปัญญาแล้วอ ะ, อะไรเป็นผู้สําคัญมั่นหมายมันเกิดมาจากอะไรแยกแยะ ลงไปหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอวัยวะทุกส่วนเป็นความจริงตามสภาพของมัอยู่อย่างนั้นแล้วมันมาเป็นทุกข์ได้อย่างไรทุกข์มันก็เป็นทุกข์สักแต่ว่าปรากฏขึ้นมาได้ในทั่วอวัยวะแต่แล้วมันขดับปตามธรรมชาติของมันเมื่อเป็นเฉะนั้นจะถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่คือคือปัญญาคือสติคือปัญญาแล้วคือการค้นคว้าหาความจริงอยู่แล้วความต้องัานมั่นหมายที่เคยยึดเคยเหนี่ยวนั้น ที่ทียกว่าเป็นสมุทยัยมันก็ดับลงไปในขณะนั้นดับลงไปในขณะนั้นนี่โรดความดับทุกขคือความขวนขวายภายในาจิตใจมันก็ระงับดับไปโดยลำดับดับทําหน้าที่ไปตามไปตามมากไม่ใช่นีโรดทําหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของมรรคต่างหากทําหน้าที่เมื่อทําหน้าที่เข้าใจยิ่งเดชหรือตัดยิ่งเดชโดยถาดมากน้อยเพียงไหรความดับทุกขพระ อำนาจของจิเรก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับลำดาบนี่เรียกว่ามัชธิมาเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติยากลัวตายให้กลัวจะไม่เห็นความจริงมีมากกว่าถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันต้องทุ่มบ้างเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สติปัญญาเป็นสำคัญอย่าทนเฉยๆนะ ทนทุกข์เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะรู้จะเห็นในความทุกข์ในสิ่งให้เกิดทุกข์และอะไรเป็นทุกข์ที่แท้จริงมันเห็นเป็นความจริงด้วยกันทั้งทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาทั้งกายทั้งจิตเมื่อต่างอันต่างรู้ตามเป็นจริงว่าทุกขก็สักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตน กาก็มีเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่รับรู้ในสิ่งทั้งหลายเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยความประจักษ์ใจแล้เช่นนี้แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตใจไม่โกรธกวายเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในร่างกายดับไปจะดับหรือไม่ดับก็ตามมันก็คือของจริงนั่นแหละ มการประพฤติปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้มีที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องมัชฌิ ม, มานปฏิปทาถึงคราวที่จะทุ่มกันลงให้หนักมือให้ถึงเป็นถึงตายเพื่อเอาความรู้เสกทีโสขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสีนี้ก็ต้องทุ่มกันลงไปถึงคราวที่จะลดหย่อนพรอนผันนั่นหากเป็นไปเองภายในตัวของเราไม่มีใครบอกก็รู้เอง ถึงขั้นจะผ่อนขั้นผ่อนยาวก็รู้ถึงขั้นจะท่มกันอย่างหักโหมก็รู้ภนตัวเองแต่จะปฏิบัติไปอย่างรุ่มดุ่มดอนดอนอย่างสะดวกสบายเฉยเฉยเมยเมยไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมลวลธรรมามัดชิมาก็มัดชิมาของกิเลสอยู่ในทํากลางหัวใจเราผูกมัดหัวใจเราไม่ใช่มัดชิมาที่แก้หัวใจเราผิดกันอย่างนี้ให้เข้าใจผู้ปฏิบัติ <c oughs> เบืองต้นได้กล่าวถึงนึ่งทมแท้ทมแท้จะเกิดขึ้นที่ใจใจเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่จะรับภาพธรรมทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ผู้รับทาพเป็นแต่ทางเดินของจิตเป็นเครื่องมือของจิตที่จะขวนขวายหาอัตธรรม ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดินออกสู่สูปเสียงกิ่นนสดเครื่องสัมผัสจิตเป็นผู้ตามรับทราบในสิ่งต่างๆที่กระมาสัมผัสสัมผัสนี่จึงว่าเป็นเครื่องมือถ้าเราเดินออกด้วยมัดเป็นเครื่องมือถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอํานาจของกิเลสผักกันออกไปนั้นเป็นเครื่องมือของสมุทยัยพร้อมกิเลสล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเจือปอนเลย การปฏิบัติธรรมต้องอาศัยอุบายวิธีการที่นี้ในตำหนักตำลาหรือครูอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วนั่นแหละเป็นความไม่ลูกๆคําคร่ำเป็นการถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้โอวาตสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจิตทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลการแนะนําสั่งสอนนั้นจะไม่ผิดไม่พลาดเพราะสอนตามหลักความจริงที่ได้ดำเนินมาแล้ว เพนที่แน่ใจสำหรับผู้ฟังทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อปฏิบัติไม่ต้องทำให้เสียเวล่ำเวลาเสียประโยชน์มีความทุกข์ยากลาบากเปล่าๆโดยอุบาโดยโดยการรูบรวมคําๆจดจ่อลงตรงไหนฟาดพันลงตรงไหนเป็นความจริงทั้งนั้นเพราะถูกต้องตามโอวาทที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนียุธีการเ่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมด โยนก็ตั่งผลได้ปรากฏขึ้นมามากน้อยจะทราบที่ใจทราบที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งของธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดทั่วทั้งโลกกธาตุนี้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเป็นภาชนะแห่งธรรมได้เหมือนใจเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่เต็มโลกเต็มท้งสารก็ตามจึงไม่มีความหมายสําหรับใจที่ไม่ สนใจกับธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับหม้อที่ความปากไว้เหลวน้าในบึงในบ่อในมหาสมุทรทะเลมาเทลงก็ไม่มีคำว่าขังอยู่เทลงเทไรก็ไหลทิ้งไปหมดมีจิตใจที่คว่ำไม่ยอมรับธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นจึงเป็นใจใช่ละกรรและเกิ่มไปไม่ใช่ใจคน ไม่ใช่ใจผู้ปฏิบัติใจผู้ปฏิบัติมีความจดต่อต่ออัดต่อทาและทำจะเกิดขึ้นสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจโดยลำหนับลําดาจนกระทั่งกลายเป็นธรรมทั้งแทงขึ้นมาที่ใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ประจักษ์ที่ใจไม่ได้มีที่ที่หูที่ตาที่จมูกที่เลี้ยงที่กายไม่ได้มีที่ดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลม ต้นไม้ผูกเขาสามโลกาธาตุนี้ไม่มีที่สถิตของธรรมได้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นที่สถิตของธรรมเป็นผู้รับทราบธรรมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์บิมุติดดูดพ้นก็คือใจดวงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีคําว่าดูดพ้นหรือติดอยู่มีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ติดและเป็นผู้จะดุดพ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกแหน่ทุกมงกิจปฏิบัติเพื่อใจดวงนี้ให้เหมาะสมกับธรรมทั้งหลาย ดังพระพุทธเจ้าประทานไม่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมที่ใจไม่ได้เห็นที่ไหนเห็นธรรมมากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าเริ่มเห็นตถาคตเข้าไปโดยลำดับเห็นธรรมเต็มดวงถึงความไม่สุดเต็มผงชื่อว่าเห็นตถาคตเต็มอกไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยฉนั้นขอทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้ตังของวิเศษวิสโส อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นที่ใดไม่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลมไฟไม่อยู่ที่ทวีปนั้นทวีปนี้ไม่อยู่ที่โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่ใจเป็นแต่เพียงวัตถุเคีื่อนตัวจอมปลอมมันครอบหัวใจไว้มีอำนาจครอบหัวใจไม่ให้ใจกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันได้พอจะเป็นเครื่องสืบต่อให้มีแต่จิตแต่ใจแค่ายาย อำนาจแห่งธรรมภายในจิตใจของตนออกให้รู้แจ้งเห็นชัดทั้งโทษคือกิเลสตัวครอบงำทั้งคุณคือธรรมที่รู้ที่เห็นได้แล้วนั้นตอนอำนาจกิเลสมันครอบเมื่อได้เปิดกิเลสออกเพื่อเข้าปฏิบัติดังสวดขาธรรมที่สต ร, ร, ร์รรรมไม่ชอบแล้วนี้เราจะไม่สงสัยความรู้ความวิเศษวิโสความพอดิบพอดีความพอแล้วความอยู่เป็นสันติสุข ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายกับสิ่งใดทั่วทั้งแดนโลกฐาตนนี้จะประจักษ์ที่ใจเมื่อใจพอตัวแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือการปฏิบัติธรรมธรรมแท้อยู่ที่นี่และเกิดที่นี่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปตั้งแต่การไหนไหนมาเป็นอนันตการทําให้เคยสิ้นสุดจากโลกแต่ใจผู้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์หรือรับทราบธรรมและให้เป็นที่สถิตของธรรมนั้น มันไม่ยอมรับเท่านั้นทำจึงเป็นเหมือนไม่มีแม้จะมีอยู่เพียงใดก็เป็นเหมือนไม่มีผู้จะมีทำในใจต้องเป็นผู้สนใจในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทำจะเข้าสู่จิตใจเพราะจิตใจเป็นผู้เอื้อม จ, จิตใจเป็นผู้ยึด จ, จิตใจเป็นผู้ถือจิตใจเป็นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นผู้จดจ่อจิตใจเป็นผู้ดู จ, จิตใจเป็นผู้แสวงหาทำไม จ, จิตใจจะไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเล่าเพราะธรรมมีอยู่แล้วนั่น เอาตรงนั้นเอาให้กินให้จังนักเบาทราบกันอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการกำจัดกิเลสกิเลสเป็นตัวที่เนียวแน่เหนียวแน่นมั่นคงมากเป็นตัวที่ฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกธาตนี้ไม่มีอันใดเกินกิเลสและคำว่ากิเลสกิเลส ก็ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดตั้งรากตั้งฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจใ น, นี้เช่นเดียวกันการสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนั้นสัมผัสสัมพันธ์เพื่อกิเลสลงจิตได้เป็นกิเลสนีและกิเลสมีอานาจแล้วจะตาหูจ ม, มูกลิ้นกายของของใจของเราจะสัมผัสสัมพันธ์อะไรเป็นไปเพื่อกิเลสทั้งมวลเข้ามารวมเต็มอยู่ในหัวใจใจจึงต้องมืดมิดปิด หาทางออกไม่ได้นอกจากหมุนไปตามกิเลสที่พาให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่หอยู่ไม่อยุดไม่ถอยมีทั้งสุขทั้งทุกข์สุขมันก็พอมันทุบเลี้ยงไวเท่านั้นเองแหละพอไม่ให้ตายส่วนทุกข์นั้นบีบคั้นไปเรื่อยๆนี่เมื่อเราเพิ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกว่าเริ่มที่จะทำลายลวงทาลายวงลังของกิเลสที่มันครอบอยู่ในหัวใจอย่างมืดนิดปิดตานี้ ให้ออกไปโดยลําดับลำดับลำดั บ, ลลบตั้งแต่เริ่มสมถะออกทางด้านปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาเป็นสําคัญถึงการที่จะใช้ปัญญาให้ใช้แล้วอย่าอยู่เฉยๆมีความสงบสบายแล้วอยู่เสียนั่นก็คือความนอนจัดเรไม่พ้นจากความถูกข์ที่เด็ดกร่อมนี่แหะเพราะคนเราหาความสบายพอสบายที่ตรงไหนจะอยู่นั่นเสียไม่อยากจะข้าว ความสบายไม่มีเพียงแค่สมาธิเท่านั้นยังจะมีละเอียดละออยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งถึงความุดทนโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือความสบายยอดเยี่ยมได้แก่ปรมาังสุขขงังด้วยเหตุนี้ปัญญาเมื่อถึงขั้นถึงเวลาที่พิจรารณาให้พิจรารณาแยกแยะดูธาตุดูขันดูทั้งภายนอกภายในไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังนาตา ด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วจะได้เหตุได้ผลจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหนุนจิตใจของตนและเป็นอุบายเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยพิจารณาภายในคือร่างกายของตนกับพิจารณาภายนอกร่างกายของสัตว์ของบุคคลหญิงชายก็มีสภาพเป็นอันเดียวกันเหมือนกันโดยหลักธรรมชาติปัญญาอย่างทราบย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนย่อมจะเป็นที่เข้าใจแก่แจ้งและถอดถอนกันเข้ามาเองนจนกระทั่ง ถอดถอนได้หมดโดยสิ้นเชิงนี่ขอสรุปความอาเลยเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาได้มีความเฉลียวฉลาดรอบทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเข้ามาถึงภายในจิตรอบโดยตลอดตรวจถึงแล้วนั่นหละที่นี่นัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างไหนจะเสมอด้วยปัญญา มีเหลือในโลกนี้ไม่นี่ิริยมันละเอียดขนาดไหนปัญญาสอดแทรกรู้เห็นหมดวาดปันหั่นแหลกแตกกระจายไปหมดนี่แหละปัญญาจริงเป็นของสำคัญมากให้ใช้เวลาที่ควรใช้ยาอยู่ด้วยความสงบเฉยเวลาสงบก็ให้สงบเสียพาถอจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณนี่จะเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สม่ำเสมอไม่หนักไม่เบาในทางหนึ่งทางใดจนถึงก็ว่าติดตสงบก็ติดความสงบเสียพิจนาปัญญาถึงขั้นเพลินเพลินจริงๆนี่ก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วจริงไม่ซ้ำอีกเพราะเวลาก็พอสมควรทั้งเหนื่อยทั้งลำบากในผ่านในขันเนี่ยจึงให้พากันพิจนาสติเป็นสำคัญขอให้ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานประจาตน อย่าถือว่าเป็นสิ่งที่หนักหนว่วงช่วงจิตใจลําบากลําบนเพราะการถอดถอนกิเลสกิเลสกดท่วงหัวใจเรามานานแล้วเราลําบากแค่ไหนไม่ได้อินนาลอาใจต่อมันบ้างเหรอเวลาจะมาใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรสาวบึกบูนต่อสู้กับกิเลสทาไมจะเห็นความความทุกข์เพียงเท่านี้ว่าเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงถึงกับกั้นทางตัวเองให้ข้าวไม่ออกนี่ก็แพ้กิเลสอีก ไม่มีทางที่จะต่อสู้กับพิเดษให้ได้ชัยชนะไปได้เลยเดียวจ้ำทำเหล่านี้ไว้ให้ดีเพื่อเป็นสิริมงคลประดับตนเองให้เห็นความพ้นทุกข์ให้เห็นความวิเศษคำว่าวิเศษวิโสพระพุรธเจาวิเศษที่ไหนให้ดูใจให้ปฏิบัติต่อใจให้ดีพระสาวกอราหาันท่านวิเศษอย่างไรคำว่าพุทธธรรมธัรมสังฆังสังนังขฉ า, า ม, มิกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นกลายที่ตรงไหนให้เห็นประจากใจของเราแล้วจะหายสงสัยคำว่าพุทธธรรมสง รวมองค์ลงมาสู่ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่สงสัยยิงขอยิติเพียงเท่านี้เหนื่อยละ